การนับถือผีเป็นความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณกาลและเชื่อกันทุกชาติทุกภาษาในภาคพื้นตะวันออกถือกันว่าผีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาหรือว่าจะเป็นต้นไม้บ้านเรือนหรือแม้แต่บ้านเมืองก็ย่อมมีผีเพื่อที่จะคอยปกป้องคุ้มครอง ผีที่อยู่ตามป่าเขานั้นเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ตามต้นไม้เรียกว่าลุกขะเทวาซึ่งจะคล้ายเป็นเทวดาไปไม่ใช่ผีที่อยู่ตามบ้านเรือนเรียกว่าผีบ้านผีเรือนในเรือก็เรียกว่าแม่แย่านางซึ่งก็คือผีผู้หญิงที่คอยปกป้องคุ้มครองเรือนนั่นเองค่ะแม้แต่ในทารกที่เกิดใหม่ก็จะมีผู้หญิงที่คอยปกป้องคุ้มครองเหมือนกันเรียกว่าแม่ซื้อ ส่วนเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สิงสถิตยอยู่ตามศาลนั้นก็คือผีเหมือนกันซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผีที่ให้ความคุ้มครองคนที่กราบไหว้ในหลักศิลาจารึกกรุงสุขโขทัยหลักที่หนึ่งซึ่งองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางความทรงจำมีข้อความตอนหนึ่งจารึกไว้บอกว่าเบื้องหัวนอนเมืองสุขโขทัยนี้มีกุฏิพิหารปู่ครูอยู่มีป่าพร้าว ป่าลางมีป่าม่วงป่าขามมีน้ำโคกมีพระคระพุงผีเทวดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้คุณผู้ใดถือเมืองสุขโขทัยนี้แลไหว้ดีพลีถูกเมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดีผีไหว้บ่ถูกผีในเขาอันบกคุ้มบกเกรงเมืองนี้หาย แสดงว่าพระกระพุงผีไม่ใช่ผีธรรมดาเขาขั้นเป็นเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในเขาทิศหัวนอนเมืองสุโขทยัยเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองและปกปักคุ้มครองเมืองสุโขทยัยของเช่นเดียวกันกับพระสยามเทวาธิราชของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการค้นหาสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในคาจาฤกนี้อันดับแรกมีการตีความกันว่า คนเมืองสุโขทัยนอนหันหัวไปทิศไหนซึ่งว่าจะเป็นทางทิศเหนือตามคติพราหมณ์ที่ถือกันอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีภูเขาอยู่ด้านเหนือของเมืองสุโขทัยเลยซึ่งต่อมาจึงได้ความว่าชาวเมืองสุโขทัยในยุคนั้นนอนหันหัวไปทางทิศใต้อันเป็นคติของคนไทยโบราณสําหรับป่าพร้าวป่าลางรวมทั้งป่าม่วงป่าขามนั้นคงไม่มีร่องรอยเหลือให้เห็นแล้วเพราะการเวลาผ่านไปเกือบพันปี แต่ได้พบสรีดพงนั่นก็คือเขื่อนดินที่กั้นภูเขากิ่วอ้ยมากับภูเขาพระบาทใหญ่เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำเช่นเดียวกันกับเขื่อนที่นิยมอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันแต่พระกระพงผีนั้นมีตัวตนหรือไม่นักโบราณาคดีคิดว่าอาจเป็นแค่ความเชื่อจึงไม่ได้ค้นหากันอย่างจริงจัง จนในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2455จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจั ก, กรพงษ์ภูวนาถได้เสด็จไปสำรวจเมืองสุโขทยัยและส่งนิพนธ์ไว้ในหนังสือกำเนิดเมืองสวรรคโลกสุโขทัยว่า มีพยานชัดที่กล่าวว่าเบื้องหัวนอนมีพระครพุงผีเทพพยานในเขาอันนั้นทางเหนือเมืองสุขโขทยัยไม่มีภูเขาจนลูกเดียวส่วนทางใต้มีซ้ำไปหาเทวรูปได้ที่ในเพิงหินด้วยดูจะเป็นพระครพุงผีแน่ไม่มีปัญหาเลย ในการสำรวจครั้งนั้นทรงบุก ป, ป่าไปที่เขาเล็กๆลูกหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงสุโขทยัยห่างจากตัวเมืองไปประมาณ15กิโลเมตรเขานั้นสูงประมาณ30เมตรและมีบันไดหินขึ้นไปด้วยเมื่อเสด็จขึ้นไปจนสุดขั้นบันไดก็ทรงพบเพิงหินกว้างใหญ่ซึ่งสามารถจุคนได้กว่า100คนเพดานถ้ำสูงประมาณสงเมตรครึง่ง สุดเพิงด้านเหนือมีหินก้อนใหญ่ก่อเป็นผนังกัน้นเป็นห้องไว้หนึ่งห้องกว้างประมาณ1เมตรดูคล้ายจะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่มีแทน่นหรือสิ่งใดอยู่ในห้องนี้เลยกลับพบแค่เทวรูปองหนึ่งซึ่งทาด้วยหินสีขาวสูงประมาณ 1.30 ่เมตรตั้งอยู่ที่ผนังนอกห้องเป็นรูปปั้นของผู้หญิงไม่สวมเสือ้อใบหน้าดูเป็นคนแก่ ลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายพระพักพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัยบนศีรษะมีกรวยซ้อนขึ้นไปถึงสชั้นมีเครื่องประดับห้อยอยู่ที่ใบหูทั้งสองข้างและรัดอยู่ที่ข้อมือกับต้นแขนที่ห้อยลงมาแนบกายทั้งสองข้างนุ่งผ้ากรอมเท้าห้อยชายซ้อนลงมาสมชั้นทรงเชื่อกันว่าเทวรูปนี้เป็นเทวดาในเขาวอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ซึ่งเรียกว่าพระขปุงผี แต่ที่ออกมาอยู่นอกห้องเช่นนี้แสดงว่ามีคนพยายามเคลื่อนย้ายแต่ยังไม่สามารถเอาไปได้ทรงดำริว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้คงสูญหายเป็นแน่จึงโปรดให้นำไปเก็บรักษาไว้ที่สารากลางจังหวัดสุโขทยัยซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเพราะไม่เช่นนั้นพระคภพุงผีคงสาบสูญไปเป็นสมบัติส่วนตัวของใครหรืออาจจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วต่อมาในพุทธศักราช2496 เมื่อมีการบูรณะตกแต่งจังหวัดสุขโขทัยครั้งใหญ่นายเชื่อมสิริสนผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้สร้างศาลขึ้นที่ถนนนิกรเกษมริมแม่น้ำยมและอัญเชิญเทวรูปที่สมเด็จเจ้าฟ้าจั ก, กรพงษ์ภูวนาถนำมาจากภูเขาด้านทิศหัวนอนของเมืองสุขโขทยัยประดิษฐานไว้ในศาลเมื่อชาวเมืองสุขโขทัยมาเพื่อทำการเคารพกราบไหว้ได้เห็นใบหน้าของเทวรูปก็พากันเรียกว่าแม่ยา่า ด้วยมีความเชื่อว่าเป็นพระราชชนนีของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชคือพระนางเสืองและภูเขาที่พบเทวรูปก็เรียกกันว่าเขาแม่ย่าไปในปัจจุบันทุกวันนี้นอกจากทางจังหวัดสุขโขทัยจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้บูชาพระแม่ย่าแล้วยังสร้างพระแม่ย่าจำลองไว้ที่ศาลเพื่อให้ปิดทองซึ่งในแต่ละปีนั้นก็จะมีคนไปกราบไหว้และปิดทองพระแม่ย่าจานวนนับแสนคน สำหรับนางเสืองนั้นมีประวัติค่อนข้างน้อยนักว่าประสูติเมื่อใดที่ไหนหรือสวรรคตรเมื่อใดไม่มีใครทราบความปรากฏพระองค์ครั้งแรกและครั้งเดียวจากเนื้อความในจารึกพ่อขุนรามคําแหงว่าพ่อกูชื่อสีอินทราทิตศแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชาย3ามผู้หญิงสองพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมตั้งแต่ยังเล็ก แสดงให้เห็นว่าพระนางมีพระราชโอรสและกธิดาหพระองค์นะคะเป็นพระราชโอรสสพระองค์กับพระราชธิดาอีกสองพระองค์และปรากฏอีกครั้งเมื่อชั่วพ่อกูกูบำเรอแก่พ่อกูกูบำเรอแก่แม่กูแสดงให้เห็นค่ะว่าพระองค์ได้รับการปรนิบัติพัดวีอย่างดีจากพระราชโอรสนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองค่ะ ส่วนพระนามเสืองนั้นอาจเป็นภาษาลาวซึ่งแปลว่ารุ่งอรุณสอดคล้อง ก, กันกับพระนามของพ่อขุนสีอินทราทิตที่มีความว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่างทั้งนี้นะคะก็มีการสันนิษฐานกันว่านางเสืองอาจจะเป็นพระคิณีของพ่อขุนผาเมืองก็เป็นได้ค่ะ ส่วนเทวรูปที่พบที่โซกพระมม่านั้นนะคะแท้จริงแล้วเป็นเทวรูปพระนารายณ์ค่ะเพียงแต่ได้รับการนับถือที่เปลี่ยนไปตามความเชื่อของชาวเมืองส่วนที่ชาวเมืองเรียกเทวรูปดังกล่าวว่าพระมม่านั้นทองเจือสืบชมพูสันนิษฐานว่าคงเป็นนางกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งก็คือนางเสืองผู้เป็นพระราชมัรดาของพ่อขุนรามคาแหงแล้วก็เป็นพระอยัยกาของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งค่ะ เรื่องราวที่มีอยู่น้อยนิดของพระนางถูกนำมาดัดแปลงเป็นละครที่อิงประวัติศาสตร์เรื่องนางเสืองถือว่าเป็นพระราชนินีไทยที่ปรากฏพระนามเป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ละครเวทีดังกล่าวออกแสดงในปีพุทธศักราช2511พุทธศักราช2547และพุทธศักราช2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏซึ่งบทประพันธ์นะคะโดยอาจารย์สมภพจันทรประพากำกับการแสดงโดยหม่อมหลวงจุลลางอนรถเนื้อเรื่องก็จะปลุกใจให้มีความรักชาตินั่นเองค่ะ สำหรับรูปปั้นของพระเมยา่าเดิมนั้นถูกประดิษฐานไว้ที่ถ้ำพระเมยา่าซึ่งเป็นเพิงชะโงกเนื้อมออกมาทางใต้ประมาณ3เมตรเศษพระเมย่าหันพระพักไปทางทิศใต้ตามเงื้อมเขาที่ยื่นล้ำออกมาทางด้านหลังเนื้อมผาที่มีถ้ำตื้นๆ น, นะคะ องเทวรูปพระแม่ย่าเป็นเทวรูปหินสลักด้วยหินชนวนเป็นรูปสตรีวัยสาวมีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณผู้สูงศักดิ์และประทับยืนตรงแขนทั้งสองข้างแนบพระวรากายนุ่งผ้าปล่อยชายไหวเป็นเชิงชั้นทั้งสองข้างแบบศิลปะการนุ่งผ้าสตรีสมัยสุโขทัยค่ะแล้วก็ไม่สวมเสื้อหรือสบายเปลือยส่วนบนทั้งหมด เห็นพระกันทั้งสองเต้าใส่กำไลแขนกำไลข้อมือและกำไลข้อเท้าทั้งสองข้างเป็นกำไลวงกลมมีพระพักเป็นรูปไข่ค า, างมนพระโอดยิ้มแย้มนิดนึงนะคะแล้วก็สวมมงกุฎเป็นแบบชดาทรงสูงที่พระบาทสวมรองเท้าแบบปลายงอนยอดศิลาส่วนที่เหนือพระมงกุฎแตกบินหายไปบ้างเมื่อวัดขนาดของเทวรูปศิลาหินแท่นแห่งนี้รวมกันได้ทั้งหมด51นิ้ว วัดจากพระบาทถึงยอดพระมงกุฎสูง49นิ้วศิลาจำหลักเป็นศิลาแท่งเดียวกันตลอดไม่มีรอยต่อประวัติที่มาอันแน่นอนของพระแม่ย่านั้นไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าเป็นใครเมื่อประชาชนพากันเรียกว่าพระแม่ยา่า อาจารย์ทองเสือสืบชมพูค่ะก็ได้สันนิษฐานว่าคงเป็นนางกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็นางกษัตริย์องค์นี้น่าจะเป็นพระนางเสืองซึ่งเป็นพระราชชนนีของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชและเป็นพระเจ้าญาของพระยาลิไทยนะคะโดยที่นักประวัติศาสตร์แล้วก็นักโบราณคดีค่ะได้สันนิษฐานในครั้งที่มีการสัมมนาถึงการเมืองแล้วก็สภาพสังคมสุขโขทยัยเมื่อวันที่1สิงหาคม2520ที่มหาวิทยาลัยศรีนะคร คารินธารวิโรธพิสนุโลกนะคะได้ลงความเห็นว่าพระขภุงผีหมายถึงพระที่โตหรือใหญ่ซึ่งน่าจะเข้ากันกับหลักศิลาจารึกที่ว่าพระขภูงผีนี้เป็นใหญ่กว่าผีทั้งหลายได้นะคะซึ่งพ่อคุนรามคาแหงเองท่านเองก็ทรงเคารพเลื่อมใสในพระพุทธรูปองค์นี้มากอยู่โดยทรงยกให้เป็นยอดของผีทั้งหลาย ถ้าแม่ย่านี้สร้างอุทิตเพื่อผีจริงแล้วก็จะต้องเป็นผีนางเสืองแน่พระเจ้ารำคำแหงคงจะไม่มีการเคารพผีอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้พระปฏิมาพระองค์นี้จะต้องเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของชาติและก็ของชาวสุโขทัยชิ้นหนึ่งค่ะ ศาลพระแม่ย่าเป็นปูชนียสถานที่สําคัญของชาวสุโขทัยแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั้งในจังหวัดสุโขทัยและก็ประชาชนโดยทั่วไปใครมีเรื่องทุกข์ร้อนก็จะไปกราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระแมย่ย่าก็เล่ากันนะคะว่ามักจะได้ดังที่ขอเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ย่านั้นอาจารย์ทองเจือสืบชมพูก็ได้เขียนกรอนเพื่อสักการะบูชาพระแม่ย่าไว้ดังนี้ค่ะ จุดเทียนธูปเก้าดอกบอกแม่ย่ากราบบาดรำลึกคุณอุ่นเกสีบุญพระแม่ย่าจงอยู่คู่ธานีคุ้มครองลูกทุกชีวีตลอดมาเดือดเนื้อร้อนใจก็ไปกราบร่าพิราบทุกใจลูกไปหาวอนแม่ช่วยอวยสุขทุกเวลาแผ่เมตตาช่วยลูกแก้ทุกใจผิดถูกอย่างไรให้แม่ช่วยแม่ก็อวยเอื้อจิตพิสมัย ทำดีแม่ยิ่งช่วยอำนวยชัยอุปถมัมภามให้ดังเจตนาจะหาใครดังเช่นนี้ไม่มีแล้วแม่ย่าคือดวงแก้วกระจ่างล่าสุโคไทยสุขสรรทุกวันมาเพราะมีพระแม่ย่าเป็นมิ่งเมือง ปัจจุบันศาลพระเมรุญาจัดสร้างขึ้นใหม่นะคะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537สมัยที่นายเกียรติพันธ์น้อยมณีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโดยกระาบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพพระ ร, ร, าราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12กันยายน2537 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541นะคะมีการทำพิธีอัญเชิญพระแม่ย่าเข้าประดิษฐานณสารแห่งใหม่เมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2541และจังหวัดสุขโขทัยก็ได้จัดให้มีงานพระแม่ย่าเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุขโขทัยโดยจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะ สำหรับพระเมียยตามความรู้สึกของชาวสุโขทยัยก็เข้าใจในหฮะว่าเป็นรูปของนางเสืองพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมัยนั้น ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นพ่อเมืองเหมือนพ่อคนทั้งเมืองค่ะลูกๆ ก, ก็เลยเรียกว่ายา่าเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อถ้ำแม่ยา่าแล้วก็เขาแม่ยา่าชาวสุโขทัยจึงเรียกตามความเชื่อดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งเรียกตามโบราณวัตถุก็คือพระพุทธรูปแม่ยา่าประดิษฐานอยู่ครั้งแรกเป็นสาคัญค่ะในปีพุทธศักราช2457นะคะ พระเจ้าบรมวง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์พระบิดาประวัติศาสตร์ไทยก็ได้ส่งออกค้นหาพระครพุงผีเทวดาที่บริเวณทิศเบื้องหัวนอนเมืองสุขโขทยัยตามที่ศิลาจารึกบอกไว้โดยสรงคาดหมายว่าน่าจะเป็นการสร้างขึ้นไว้เป็นองค์เทวรูปตั้งประดิษฐ์ไว้มากกว่าที่จะมีเพียงแต่ชื่อแล้วก็ส่งพบนะคะว่าเป็นองค์เทวรูปผู้หญิงสลักด้วยแท่งศิลาอยู่ในถ้ำที่ภูเขาแห่งหนึ่งห่างจากเมืองสุขโขทย ไ, ไปทางทิศใต้ราว7กิโลเมตรจึงทรงพระวินิจฉัยว่าเทวรูปหินนี้น่าจะใช่พระกะพุงผีผู้รักษาเมืองสุขโขทัยไว้ตามศิลาจารึกหลักที่1จารึกบอกไว้ด้วยนะคะว่าเทวรูปอื่นในเทือกเขาหลวงนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วและเทวรูปนี้ชาวบ้านแถบนั้นต่างก็พากันเคารพนับถืออย่างยิ่งค่ะ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชาาพค่ะทรงพระวิตกว่าถ้าปล่อยให้องค์เทวรูปตั้งอยู่ในป่าอย่างนี้ต่อไปนะคะก็คงอาจจะสูญหายหรือไม่ก็ถูกทำลายให้ชำรุดพังลงได้ควรอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ในตัวเมืองใหม่แล้วก็ต่อมาในปีพุทธศักราช2460พระยานรามราชพักดีหรือว่าใหญ่สระลำค่ะเจ้าเมืองสมัยนั้นก็ได้มาอัญเชิญมาไว้ที่ศาลากลางจังหวัด องเทวรูปพระแมย่ย่าเมื่อย้ายไปอยู่ในเมืองสุขโขทัยใหม่ๆยังไม่มีเทวาลัยเป็นที่ประดิษฐานก็ต้องเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สาลากลางจังหวัดสุขโขทยัยเคยย้ายไปประดิษฐานไว้ในสาราสวรรคโลกระยะหนึ่งเมื่อสมัยนั้นนะคะก็เปลี่ยนจังหวัดสุขโขทัยเป็นจังหวัดสวรรคโลกนะคะในปีพุทธศักราช2475แต่ว่าภายหลังค่ะก็อัญเชิญกลับจังหวัดสุขโขทัยตามเดิมแล้วก็ต่อมาในระยะหลังจากนั้น ก็เกิดประเพณีแห่แหนองค์เทวรูปในวันมหาสงกรานต์ก็ถือกันว่าทำให้ฝนตกซึ่งก็ปรากฏนะคะว่ามีฝนตกใหญ่ทุกครั้งที่นำเทวรูปองค์จริงออกมาแห่ให้ประชาชนได้ส่งน้ำซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์จนนายเชื่อสิริสนธิผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสมัยนั้นเกรงว่าจะมีการแห่พระแม่ย่า นะะจนอาจจะเกิดตกหักเสียหายขึ้นได้ก็เลยได้สร้างเทวาลเป็นที่ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมฝั่งตะวันออกนะคะตรงหน้าศาลากลางจังหวัดสุขโขทัยซึ่งเรียกว่าศาลพระแม่ย่าองค์เทวรูปได้ประดิษฐานอยู่ในเทวาลแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,496 เเป็นต้นมาจวบจนทุกวันนี้ค่ะ